แต่หากใบหน้านั้นหันมายิ้มเพื่อเราโดยเฉพาะหากเสียงนั้นเปล่งออกมาเพื่อทอดมัตรีแก่เราเป็นพิเศษแม้ใบหน้านนหรือว่าเสียงนั้นจะห่างไปนานแล้วเราก็ยังมีสมนัดคือสุขทางใจอย่างต่อเนื่องอาจจะทวีขึ้นเรื่อยเรื่อยยิ่งนึกเข้าข้างตัวเองไปต่างๆนาน า, นาสร้างความหวังสร้างวิมานอากาศไปตามระษาคนที่ มีความโลภในกรามคุณเมื่อแยกแยะตรงนี้ได้เอาใจมาจ่อยอยู่กับเวทนามากกว่าจินตนาการก็จะเกิดความโลภน้อยลงลดโอกาสผิดหวังหรือทุกข์เพราะความโลภให้ตกต่ำลงได้ถนัดเพราะเมื่อเห็นสมนัะเป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งเป็นสภาวะอย่างหนึง่งที่มีสาระมากกว่าการเกิดแล้วดับบ ก็เท่ากับตัดสะพานเชื่อมโยงระหว่างใจเราที่มีต่อบุคคลหรือวัตถุทางกามลงบุคคลหรือวัตถุที่มีค่าทางกามได้อย่างไรหากใจเราร้ายซึ่งสมัะเหมือนคู่อยู่กันมานา น, านจนเบื่อแม้รูปร่างหน้าตา ย, ยายวโยนเพียงใดแต่ใจไม่ยินดีเสแล้วก็รังแต่จะเกิดความแหน้งหน่ายยิ่งเห็นก็ยิ่งเบื่อกันปรลรอบการฝึก รู้อุเบกขาเวทนาว่าเกิดขึ้นทางกายหรือใจนั้นนับว่าฝึกฝนให้ชำนาญให้เกิดความรู้ชัดเพราะเมื่อฝึกจนรู้ได้แน่นยำ้ำย่อมได้เครื่องรู้ที่อยู่ติดตัวเราเป็นส่วนใหญ่เหนือเวทนาอื่นๆอุเบกขามักเกิดจากความไม่ได้ชอบหรือชังเป็นพิเศษไม่มีอะไรแปลกใหม่ที่ตื่นเต้นเป็นพิเศษอย่างเช่นการล้างหน้าแปลงฟัน การดื่มน้ำเปล่าขณะที่ยังไม่กระหายการนั่งคิดถึงกำหนัดในหน้าที่การงานบางคนรู้สึกเฉยๆอยู่ตลอดเวลาได้สังเกตเสหน่อยว่าในความเฉยนั้นเพราะอาการทางกายหรือเพราะคิดนึกก็เห็นชัดว่าเพราะมีกายปรากฏอยู่จึงมีความเฉยทางกายขึ้นมาได้ เพราะมีใจปรากฏอยู่จึงมีความเฉยทางใจขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าอยู่อยู่จะรู้สึกเฉยขึ้นมาอย่างความว่างเปล่าในอากาศตรงความตระหนักนั้นสติจะรู้เริ่มเห็นชัดเข้าถึงเหตุปัจจุบันเข้าถึงเหตุปัจจัยเป็นขณะขณะเลิกเข้าใจเอาเองว่าอุเบกขาวเวทนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประสศจากเหตุปัจจัยทางรูปนามเวทนา6และเวทนา18เวทนา6ได้แก่เวทนาอันเกิดจากภาษาทางตาหูจมูกกลิ้นกายใจเวทนา18ได้แก่เวทนา6จำแนกด้วยสมนัตโทมนัต และอุเบกขาการฝึกรู้ในข้อนี้จะตีวงแคบเข้ามาหาปัจจุบันละเอียดตลอดยิ่งขึ้นแล้วกล่าวว่าไม่เพียงแบ่งว่าเวทนาเกิดขึ้นทางกายหรือใจแต่จะซอยย่อยลงไปอย่างละเอียดว่าเวทนานั้นๆมีแหล่งกำเนิดมาจากภาษาชนิดใดบางทีเรารู้สึกว่าตากับหูเป็นที่มาหลักของเวทนาทั้งหลาย และตากับหูมักทำหน้าที่ควบคู่กันแต่ความจริงเมื่อพิจารณาลงไปชัดๆจะเห็นเวทนาเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการประจวบกันระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสใจกับความนึกคิดและเวทนาที่มาจากแต่ละทางก็มีอิทธิพลต่อจิตใจผัสสะแต่ละประเภท ทำให้เกิดความแรงของสุขทุกข์เฉยไม่ได้แพ้กันเลยฝึกแบบแยกรู้ทีลยวพรรษาไปจนกระทั่งเกิดความรู้เวทนาขึ้นในทุกพรรษะจะเกิดความอย่างซึ้งในความจริงที่ว่าเอาจิตไปจ่อกับพรรษาใดก็เสษเวทนาจากผัรสนั้นและเห็นว่าเวทนาจากพรรษะทั้งหลายมีเนื้อหาเดียวกัน วนเวียนอยู่แค่สุกทุบเฉยเราจะไม่มามัวค้นหาว่าเวทนามีรูปทรงเป็นเหลี่ยมมุมหรือวงกลมเกิดขึ้นที่กลางอกหรือในหัวแต่ชัดแก่ใจว่าผัสสะอยู่ตรงไหนเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเองมีความเป็นอย่างนั้นเองไร้รูปรอยหรือเา้าเงาอื่นๆใดเกินเลยไปกว่าความควบคุมเช่นนั้นที่ปรากฏต่อใจโดยตรง นอกจากความละเอียดของการเห็นแล้วความต่อเนื่องในอาการรู้จะแตกต่างจากการรู้เวทนาสแบบผิวเผินมากกล่าวคือได้ฝึกตามแง่มุมของเวทนาหพรจิตถึงกราวเปลี่ยนอาการจ่อจากผัสสะหนึ่งไปสู่อีกผัสสะหนึ่งก็จะรู้เท่าทันความหนักเบาของเวทนาที่แปลไปชนิดของเวทนาที่กระโดดไปมาระหว่างสุขทุกข์เฉย ยกตัวอย่างเช่นตาเรากําลังมองเห็นรูปสวยหูได้ยินเสียงลงเลงขัดจังหวะขึ้นมาก็ทราบว่าสุขเวทนาเปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาเสียแล้วเวทนาทั้งสองชนิดเกิดจากปัสสะทางกายเหมือนกันแต่ต่างช่องต่างแดนกรรมหนือถ้าไม่กําหนดรู้ในเวทนาใดมาจากปัสสะไหนจะให้รู้เพียงเวทนาที่ผันผวนอย่างรวดเร็วนั้นเป็น ไไม่ได้เป็นไปได้ยากมากในขณะในขั้นเริ่มฝึกหัดหรือหากได้ยินเสียงดนตรีเพลงโปรดแล้วเกิดโส ม, มนัสจับจิตจับใจขึ้นมาแรงๆขนาดยิ้มไม่รู้ตัวหากสังเกตแบบพิจารณาแล้วอาจจะพบว่ากำลังเสียงเพลงนั้นทำให้เกิดความสุขอันเกิดจากผัสสะทางหูไม่มากนะัก แต่ที่ทวีขึ้นเป็นสมณัตแรนจนยิ้มกว้างก็เพราะใจเกิดจินตนาการเพลิดเพล้วขึ้นมาอาจจะนึกถึงคนรักอาจนึกถึงความสว่างและตินแดนในฝันหรืออาจจะคิดไกลไปไหนตอนไหนได้ไม่จํากัดถ้าแยกออกว่าสุขเพราะเสียงกระทบหูกับสมณัตเพราะความคิดกระทบใจต่างๆกันอย่างไรก็จะเริ่มทึ่งกับความรู้ใหม่ ที่ว่าภาษาทางกายกับภาษาทางใจนั้นเป็นคนละเรื่องกันแต่ความเชื่อมโยงรวดเร็วทําให้ลงนึกมาตลอดว่ามันเป็นอันเดียวกันผลของความเท่าทันอย่างละเอียดนั้นจะทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งว่าที่เคยเข้าใจว่าเรามีความสุขตลอดวันหรือมีความทุกข์ทั้งปีนั้นผิดอย่างมหันต์เพราะแท้ที่จริง มีเวทนาเกิดดับยิบตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเมื่อหมดเหตุแห่งเวทนาย่อมขอไปค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อหมดเหตุแห่งเวทนาย่อยหนึ่งๆแล้วจิตก็จะตัดกลับไปเสวยเวทนาที่มาจากเหตุหลักต่อไปสรุปคือฝึกให้เท่าทันเวทนาที่เกิดจากผัสสะหนึ่งๆก็จะค่อยๆพบว่าเรารู้ละเอียดขึ้นต่อเนื่องขึ้นอย่างอัศจรรย์ จากไม่เคยตระหนักว่ากำลังสุขทุกข์หรือเฉยด้วยซ้ากลับกลายเป็นแจ่มแจ้งว่ากำลังสุขทุกข์หรือเฉยด้วยเหตุอันใดแม้กระทั่งรับผัสสะหน้าปรารถนาหนึ่งหนึ่งแต่ใจเห่ไปอีกทางอื่นบ้างกลับที่ผัสสะเดิมบ้างก็ก่อให้เกิดความกระตุกความขาดตอนของเวทนาตามกันไม่ไหวทันอย่างแจ่มชัด เตรียมจิตให้พร้อมรู้เวทนาโดยความเป็นไตรลักษณ์ถึงตรงนี้คงจะมีคำแนะนำให้ผู้ฝึกโดยอารมณ์เช่นนั้นได้ต่อเนื่องโดยคำนึงถึงปัจจัยเกื้อกูลต่างๆดังจะกลก่าวถึงก็จะทำให้เกิดความเคลืบหน้ายิ่งยิ่งขึ้น รู้เวทนาให้เหมือนตาเห็นรูปพระผู้มีพระภาคกำกับไว้เสมอว่าการรู้แบบนี้สติปัฏฐานสี่นั้นต้องรู้ชัดหมายความว่าคุณภาพจิตต้องดีพอสมควรเพราะแม้ว่าเวทนาเกิดขึ้นตลอดยีบสีชั่วโมงแต่หากขาดความรู้ชัดเข้าไปในความเป็นเวทนาเสียแล้วการที่จะเห็นเวทนาโดยความเป็นของเกิดดับย่อมยาก ฉะนั้นผู้ได้ชื่อว่าชำนานเวทนานุปัสนานั้นอย่างน้อยต้องดูเวทนาได้ชำนานเหมือนอย่างตาเห็นรูปดังที่ท่านแสดงไว้ในเวทนานุปัสนานิเทศสติปัฏฐานวิพังพระอภิธรรมปิฎกเล่มสองมีใจความคือนักภาวนาย่อมสิ่งย่ยอมทำให้เจริญย่อมทำให้มากกําหนดด้วยดีซึ่งมิมิดแห่งเวทนาต่างๆทั้งที่มีอมิตรและไม่มีอมิตร ขอเชิญติดตามรับฟังมหาสติปัฏฐานสูตรต่อจากตอนที่แล้วนะคะความหมายของนิมิตในที่นี้คือเครื่องหมายบอกทางใจว่าอะไรเป็นตัวอะไรตัวของเวทนาปราศจากรูปร่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเราจะกําหนดรู้ภาวะหนึ่งหนึ่งของเวทนาได้ด้วยใจเท่านั้นประสาทสัมผัสทางอื่นไม่อาจรู้ความ ปรากฏของเวทนาได้เลยปกติเวทนาจะเกิดขึ้นแล้วมีตัณหาหรือความทยานอยากของใจแล่นเข้าจับทันทีรวดเร็วและกลมเกลื่นจนเราแยกไม่ออกว่าตรงไหนคือสุขตรงไหนคืออยากสุขตรงไหนคือทุกข์ตรงไหนคืออยากพ้นทุกข์ต่อเมื่อหัดสังเกตว่าแต่ละภาษะมีเวทนาประจำตนดังกล่าวแล้วในหัวข้อก่อนๆทําไมไป มีความสามารถแยกแยะจนเหลือความรู้เห็นเพียงนิมิตแห่งเวทนาว่าแต่และชนิดมีความเป็นอย่างนั้นเองหากรู้ตัวพื้นฐานจิตยังขาดคุณภาพก็อาจจะใช้เครื่องทุ่นแรงง่ายๆคิดง่ายๆว่าเพื่อให้เกิดความเห็นชัดเบื้องแรกต้องเอาเวทนาที่เด่นชัดมาเป็นสิ่งถูกรู้และแน่นอน เวทนาที่เด่นก็ต่อเมื่อผัสสะมีความหมายพิเศษทางกายหรือทางใจเช่นเดินชนของแข็งเข้าอย่างจังหรือได้สิ่งที่ปรารถนามานานการเป็นทุกข์จากบุคคลที่น่าละลายและน่านำมาใช้เป็นบทฝึกความโกรธและความเกลียดชังนับเป็นทุกขเวทนาที่ชัดเจนมากเพียงเริ่มคิดซชื่อว่าเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนา ให้ฝึกเห็นชัดเหมือนตาเห็นรูปเอาความนึกคิดเกี่ยวกับศัตรูหรือคนร้ายทิ้งไปก่อนเหลือแต่ความจริงทางความรู้สึกของเราเองเมื่อไรได้เห็นชัด ก, ก็เริ่มสนุกกับการเห็น<อ>เช่นเห็นทุกเขเวทนาเกิดขึ้นจากผัสสะแบบใดเห็นหน้าเขาฟังเสียงเขาคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับเขาหรือรวมกันทั้งหมด เมื่อสามารถมองได้ว่าทุกขเวทนาเป็นสภาพธรรมอย่างหนึง่งเกิดจากผัสสะหมดผัสสะทุกขเวทนาก็ดับไปไม่เห็นตัวเราอยู่ในทุกขเวทนานั้นในที่สุดก็เห็นเขาเป็นอีกมุมหนึง่งคือศัก์แต่เป็นต้นกำเนิดแห่งเวทนาอีกชนิดเป็นประโยชน์อยู่เหมือนกันค่าที่ทำให้เรามีโอกาสฝึกเวทนานุปัฏนาน เราตั้งมุมมอมไว้ล่วงหน้าอย่างมั่นคงแล้วว่าทุกขเวทนาเอาไว้ฝึกรู้กร ะ, สะแสเมตตาเกิดขึ้นกับตัวต้นเหตุแทนความรู้สึกเกลียดชังไปเองเรียกว่าได้ทั้งปัญญาและเมตตาเป็นผลลัพธ์ควบคู่กันสรุปคือต้องหัดเป็นนักฉวยโอกาสทางธรรมมองว่าเวทนาแรงๆทุกชนิดก็คือ นาทีที่รอคอยแม้แต่จังหวะของทุกหนักก็เป็นโอกาสทองได้ไม่ว่าจะป่วยไข้ชนิดหนักเกิดอาการแพ้รักตกงานหรืออับจนเหมือนข่าตัวตายเพราะสุดตงของเวทนาด้านลบย่อมปรากฏชัดโดยตัวเองมันเองเนิ่นนานจะเพ่งหรือว่าเผลออย่างไรก็ครอบงามจิตอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน ด้วยเหตุที่ความคิดกระทบใจย่อมมีพลังมหาศาลจนจิตเหมือนถูกตรึงไว้พันธนาการไว้กับที่หนีไปหาภาษาอื่นได้แค่เดียวเดียวก็ต้องกลับมาเวียนแบบเดียวกับกลัวพันหลักรู้เวทนาโดยแยกจิตออกมาเป็นผู้ดูตอนเนื่องกันกับหัวข้อก่อนเมื่อจับเขาได้ว่าทำอย่างไร จะรู้เวทนาได้อย่างเดียวกับตาเห็นรูปก็จะวางจิตหรือกำหนดท่าทีของจิตในการรู้เวทนาอื่นที่แผ่วกว่ากันได้ถูกแม้กระทั่งความรู้เฉยๆก็สามารถจำแนกด้วยจิตว่าแบบต่างๆต่างลักษณะกันได้มากมายก่ายกองเช่นเฉยแบบมัวมากมัวน้อยหรือเฉยแบบ ไปทางเบื่อค่อนข้างทางเพลินถึงตรงนี้มิติแห่งการรู้ภายในจะแปลกแต่จากเดิมมิติหนึ่งเหมือนเรารู้โลกภายนอกตามปกติแต่อีกมิติหนึ่งเหมือนนิมิตเวทนาแสดงตัวเคลื่อนไหวหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหากทําได้ถึงขั้นที่เห็นเวทนาเกิดดับแปรเปลี่ยนสลับสลอนได้อย่างต่อเ น, นื่องนานๆจะรู้สึกราวกับ แต่แล้วเวทนาเป็นหน้าตาคนที่รู้จักสลับกันมาเยี่ยมเราทีละคนสองคนเรารู้ว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเราและพวกเขาก็ไม่ใช่คนเดียวกันด้วยจุดนั้นเองที่จิตเริ่มแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเวทนาเฉยๆไม่สำคัญผิดเวทนาต่างๆเป็นอันเดียวกันกันกบผู้รู้ผู้ดู มีหลักการสำรวจอย่างง่ายๆว่าจิตเริ่มแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้หรือยังเริ่มต้นอาจจะสังเกตเอาว่าเวลาเกิดความทุกข์มีอาการเร่งรัดอยากให้ความทุกข์นั้นดับลงทันใดหรือไม่หรือแม้กระทั่งเอากรรมฐานใดๆที่เคยฝึกมาคมหรือไม่ถ้าหากมีอาการดูเวทนาเหมือนตาดูน้าเดือดดูแบบรอให้มันลดระดับลงเอง โดยไม่ยืนเพ่งเร็งอยู่ว่าจงเย็นลงจงเย็นลงแต่ทอดตามองด้วยอาการที่ปราศจากความคาดหวังปราศจากการเร่งรัดกระทั่งคลี่คลายลงถึงจุดของความเย็นนั่นแหละคืออาการแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้สังเกตตัวแปรเบตตาเล็ดของเวทนาถึงจุดนี้เราผ่านการรู้เวทนาโดยความไม่เที่ยง เกิดแล้วต้องดับไปแต่แท้จริงยังมีความไม่เที่ยงอีกแบบหนึง่งคือความแตกต่างของเวทนาตามการยกตัวอย่างเช่นเราซื้อรูปภาพสวยๆต้องตามากรอบหนึง่งด้วยหวังว่าจะเฝ้ามองด้วยความสมนัตไปจนชั่วชีวิตอาทิตแรกมองและสมนัตยิ่งที่ได้เห็นเป็นเจ้าของอาทิตต่อมามองและสมนัตอยู่ที่ได้ดูรูปต้องตา แต่อธิตถัดตไปชักเริ่มชินสมนัดเดิมๆเหมือนเหือดแห้งไปไหนแล้วก็ไม่ทราบเมื่อรูปภาพยังถูกรู้ว่าเป็นของสวยงามทว่าก็ปรุงจิตให้เกิดสุขได้น้อยลงมากยังมีตัวแปรอื่นๆอีกเช่นความแปลกใหม่และความเคยชินยกตัวอย่างแม้เรานอนบนฟูกแสนสบายอันเดิม ยังไม่เบื่อนายฟูกแต่อย่างใดทว่าเมื่อนอนนานเกินไปเกิดความเมื่อยล้าต้องการขยับให้พ้นจากฟูกรองกายอยากลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายสิบ้างที่ตรงนั้นแปล ว, ว่าความสบายกายก็หายไปกลายเป็นทุกข์กายที่ผลักสายดุดดันให้หนีออกจากที่นอนแทนการสังเกตเช่นนี้ยิ่งละเอียดละออเพียงใดก็จะยิ่งได้ความรู้ได้ความเห็นแจ้งในความไม่เที่ยง ไม่ทนไม่ใช่ตัวตนเวทนามากขึ้นเรื่อยๆเพียงนั้นหลักการปฏิบัติเบื้องสูงขอให้พิจารณาพระพุทธพจน์ในช่วงกลางของหมวดเวทนานุปัสนาสวยสุขเวทนามีอมิตรก็รู้ว่าเราสวยสุขเวทนามีอมิตรหรือสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรสวยทุกขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนามีอมิตรหรือเสวยทุกขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาไม่มีอมิตรเสวยอัตุขมสุปเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอัตุขมสุขเวทนามีอมิตรหรือเสวยทุกขมสุขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอัตุขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรอย่างที่ได้สรุปแล้วในต้นบท ว่าสวยเวทนามีอมิตหมายถึงเวทนาที่อาศัยสิ่งร้าวทางโลกเป็นตัวแปรส่วนเวทนาไม่มีอมิตรจะหมายถึงเวทนาที่อาศัยเนตขมมะหรือการภาวนาเพื่อความปลอ ด, ปลอดโปร่งจากกามและโดยขอบเขตของสติปัฏฐานสี่จะมุ่งเอาผลที่จิตเห็นความเกิดดับของรูปนามมาเป็นหลักการที่เราสามารถแยกได้ออกว่า มีความรู้สึกอยากความกำนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงเจือปนอยู่ด้วยเวทนานั้นจะทำให้จิตฉลาดขึ้นอีกระดับหนึ่งเข้าใกล้ความปล่อยวางไปอีกชนิดหนึ่งกล่าวคือจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งตามจริงว่ากามสุขนั้นเล็กน้อยเทียบกันไม่ได้เลยกับสุขอันเกิดจากจิตปล่อยวางเพราะเห็นรูปนามเกิดดับเวทนาประกอบด้วยกามเป็นสุกร้อน สุขเดียวเดียวส่วนเวทนาอันปลอดโปร่งจากการเป็นสุขเย็นสุขนานหากใครยังอ่านไม่ออกบอกตัวเองด้วยใจจริงเช่นนี้ไม่ถูกก็จำเป็นจะต้องฝึกดูฝึกรู้ให้เห็นแจ้งจากส่วนนี้ของเวทนานุปัสสนาในช่วงแรกของหลักปฏิบัติเบื้องสูงจะกล่าวเฉพาะการล่วงสุขและทุกข์แบบมีอมิตรด้วยสุขและทุกข์แบบไม่มีอมิตรก่อนดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ในสรายตนาวิพังคสูตรพระสุดตันตปิฎกเล่มหแสดงถึงการละความยึดติดในเวทนาอย่างยากด้วยการอิงอาศัยเวทนาที่ละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆพวกเธอจงอาศัยคืออิงสมานัตอาศัยเนกขัมมะหกนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่นสมานัตอาศัยเรือนหนั้นๆดังนี้ย่อมเป็นอัละสมานัตนั้นๆได้ เป็นอันล่วงโสมานต์นั้นๆได้ดูกราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอาศัยคือเอกโทมานต์อาศัยเนกขัมมะหกนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ้นโทมานต์อาศัยเรือนหกนั้นนั้นดานิยมเป็นอันละโทมานต์นั้นๆได้เป็นอันล่วงโทมานต์นั้นๆได้รู้เวทนาอาศัยอนาปานสติสำหรับผู้ผ่านอนาปานบัปมาแล้วอย่างได้ผล จะอ่านส่วนนี้ของอนาปานสติสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มหกได้อย่างกระจ่างดูกราพิสูทธ์ทั้งหลายส ม, ยสมัยใดพิกษุสำเนียดอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้ปิติหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้ปิติหายใจเข้าสำเนียดอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้สุขหายใจเข้า สําเนียดอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้จิตสังขารหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสําเนียดอยู่ว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจออกเราจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าโลกราภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอธิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูก ร, รับภิกษุทั้งหลายเรากล่าวใส่ใจลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นอย่างนี้ว่าเวทนาชนิดหนึ่งในพวกเวทนาเพราะฉะนั้นและในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียนรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้ยอยู่ในบทที่สีว่าด้วยอนาปานาบับได้กล่าวถึงจุดนี้โดยในของการพิจารณาอมประกอบเพื่อให้จิตพร้อมรวบรวมลงถึงปฐมฌานแต่ในเวทนานุปัสนาจะกล่าวถึงอีกครั้งในแง่ที่นำปิติสุขและภาวะไร้ความคิดคือจิตตะขาน จิตสังขารระงับมาเป็นเครื่องพิจารณาเวทนาเมื่อมาถึงขั้นที่ติตสร้นแรงเป็นสุขเย็นเป็นหนึ่งก็จัดเป็นเวทนาชนิดแรงที่ปรากฏตัวให้รู้เองโดยไม่ต้องตั้งใจกำหนดคือเป็นขั้วตรงข้ามที่สุดกับทุกข์ซึ่งเคยกล่าวแล้วในแง่ดี เราเป็นโอกาสทองในการมองเห็นเวทนาเด่นชัดเมื่อตาเห็นรูปสุขเวทนาเกิดจากดวงจิตที่แน่นิ่งมั่นคงไร้ความคิดนั้นลักษณะของตัวเวทนาจะบริสุทธิ์ขึ้นไม่กลัวผลด้วยนามธรรมอื่นๆเช่นความอยากในการราคะหรือกระทั่งความโลภไขวคว้เอารูปธรรมนามธรรมใดอื่นมากรองอย่างน้อยในช่วขณะที่เสวย วิเวกสุขอยู่เราวิเวกสุขเองย่อมเป็นเพดานของความพอใจอันนี้อาจจะแทนที่ด้วยสิ่งอื่นได้ขอให้สังเกตมากๆ ก, กับแนววิธีของพระพุทธองค์ที่ท่านชี้ว่าจะรู้ปิติรู้สุขรู้ระงับความคิดนั้น ให้รู้พร้อมอาการหายใจออกหายใจเข้าจะกล่าวว่าใช้การหายใจเป็นตัวประกันความมีสติก็ได้หรืออย่างที่เห็นพระพุทธองค์ระบุชัดว่าความใส่ใจลมหายใจออกและเข้าอย่างดีนั่นแหละคือตัวเวทนาอันนี้เหมือนที่เคยกล่าวว่าใจจ่อเข้ากับปัสสาวะได้ชัดเวทนาของปัสสาวนั้นก็ถูกรู้ชัดเมื่อเรามีจิตที่สงบนิ่งเป็นธรรมเอก มีอาการใส่ใจอย่างดีในลมหายใจศูนย์รวมของสุขเวทนาทั้งหมดย่อมปรากฏณที่นั้นเองและพระผู้มีพระภาคก็บัญญัติไว้ว่าทําได้อย่างนี้ถือเป็นสติรู้เวทนาชนิดหนึ่งในเวทนาทั้งหลายผลของการรู้ปิติสุขโดยไม่ลืมลมหายใจออกและเข้าก็คืออาการชนิดหนึ่งของจิตคือแยกออกมาเป็นผู้รู้ ผู้เฝ้าดูผู้ไม่กลัวปนอยู่กับตัวของเวทนาใิเองสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสให้สมเียจอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ปิติสุขในความเชื่อของนักศึกษาบางกลุ่มรูปกับนามถูกรู้พร้อมกันไม่ได้แต่ตรงจุดนี้แสดงชัดว่าจะเป็นการสร้างอาการรู้แยกเป็นต่างหากจากรูปนาม ที่ถูกเฝ้ามองอยู่อีกด้วยเมื่ออยู่ในฐานะแปลกแยกก็ไม่ยอมยึดไม่ยินดีว่านั่นเป็นปิติของเราเป็นสุขของเราแต่เห็นตามจริงว่าปิติสุขเกิดจากเหตุปัจจัยเป็นสภาวะทางธรรมชาติที่ต้องดับลงเมื่อหมดเหตุปัจจัยเราเก็บไว้เป็นข้อมูลหนึ่งป้อนให้จิตทราบว่าสุขเวทนาอันปรากฏเด่นในสมาธิจิตนั้น จัดเป็นสุขที่ปราศจากอมิตรแบบโลกโลกได้อย่างหนึ่งเป็นสุขในระดับของสมถะมีความแช่มชื่นที่หนักแน่มมนเเียนเสมอกันชนิดเต็ม อ, อกเต็มใจไม่มีความพล่องไม่มีความกระวนกระวายไม่มีความเร่าร้อนแทรกเจืออยู่ตรงไหนของจิตซักรกระผิดลิ้เนเทียบได้กับผืนหญ้านามที่กลิบเรียบเสมอกันทั้งสนามเทียบกับขณะที่ ความสุขแรงๆขณะอยู่นอกสมาธิภาวนานั้นมักมีกิเลสตัณหาปนเปื้อนอยู่และอยู่ได้เดียวๆก็จางลงเรียกว่าสุขไม่เต็มอกเต็มใจมีความพร่องมีความกระวนกระวายมีความเร่าร้อนใคร่อยากแท้เหมือนผืนหญ้าเขียวที่แซมประเกะละกะด้วยวัชพืชตะปุ่มตะปำด้วยดอกเห็ดหน่าเกลียดไปหมด